คือถ้าเจ็ดสิบเนี่ยนะก็นับถอยหลังได้เลยไม่ได้แช่งแต่เล่าให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งถ้าเป็นสักตะวันนะก็ห้าหกโมงเย็นละห้าโมงเย็นละถ้าเป็นหน้าหนาวก็สี่โมงเย็นถ้าเป็นหน้าร้อนก็ห้าโมงละก็เหลือเวลาสักสองชั่วโมงของกลางวันนะถ้าพูดโดยวันแล้วก็ที่เหลือก็กลางคืนจะอีกยาวนานไม่ได้พูดให้เสียใจแต่พูดว่าชีวิตที่เหลือนี้ที่น้อยนิด ควรสแสวงหาอะไรผู้ที่เกิดมาในโลกยังไงมันก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายกันทุกคนตารางเวลาตายก็ไม่ได้มีมีอะไรเป็นเครื่องเครื่องกำหนดเลยว่าเออนี่นะคุณมีบุญมากคุณจะอายุยืนคุณจะอยู่ได้เท่านั้นปีเท่านี้ปีแต่ถ้าถึงจะรู้ว่าเราอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีเราก็มาดูตารางชั่วโมงกุศลของเราดูสิว่าวันหนึ่งเราสามารถเจริญกุศลได้ถึงชั่วโมงไหม กุศลล้วนๆนะที่ไม่มีอากรุณแทรกถึงชั่วโมงไหมถ้าเดินหนึ่งเราก็เจริญกุศลได้สามสิบชั่วโมงเลปีหนึ่งละสามร้อยหกสิบห้าชั่วโมงสองปีสามปีและชีวิตห้าปีเจริญกุศลได้กี่ชั่วโมงก็คูณเข้าไปแล้วที่เหลืออากุศลทั้งชีวิตเลยก็คูณขึ้นมาเลยอะไรมากกว่ากันนะแล้วสมควรจะไปไหนต่อไปสมควรไหมที่จะพ้นทุกข์เป็นต้นเราก็คํานวณแบบคล้ายๆกับค้าขายอะไรอย่างนั้นนะนี กำไรควรจะเท่าไหร่ควรจะขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราจะได้ไม่ใช่หลอกตัวเองคือบางคนเนี่ยศึกษาพระธรรมไปเนี่ยบางทีเหมือนกับว่าหลอกหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งเพอขายสวรรค์ขายวิมานในอากาศซึ่งของมามัไม่ค่อยชอบกิจกรรมขายบุญเลยโดยส่วนตัวแล้วนี่ไม่ชอบเอามากๆเลยทําอย่างนี้จะได้บุญเท่านั้นที่ยิ่งมาทํากับเราด้วยจะได้บุญอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ไม่ชอบเอามากๆเลยซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เชื่อเพราะว่ามีแสดงไว้ในคัมพี์เยอะนี่ในส่วนที่เป็นบุญนะขณะเดียวกันเราก็เชื่อคัมภี์ทั้งสองฝ่ายทั้งวิมานตะวัตถุ ก, กับเปรตตวะัตถุเพราะเปรตตวัตถุก็กล่าวว่าถ้าทําบาปหน่อยหนึ่งก็บาปมหาศาลเหมือนกันวิมานวัตถุ ก, กล่าวถึงว่าถ้าทําบุญหน่อยหนึ่งก็บุญเยอะทีนี้บุญกับบาปมันตัดกันยังว่าไงสมมติว่าคนเนี่ยทางานรายได้เดือนละแสนหรือเดือนละห้าแสนแต่ค่าใช้จ่ายเดือนละหกแสนห้า มันยุ่งุ่งเหมือนกันนะถ้าคิดไปคิดมาเนี่ยรายได้ก็เยอะแต่ทําไมมันจ่ายมากเหลือเกินขนาดนั้นนี่ก็ลักษณะเดียวกันย้อนกลับมาถึงเราทั้งหลายที่ได้มาจาริกสแสวงบุญที่นี่ถือว่าเป็นสังเวชนียสถานแรกที่เราเข้ามาถึงแต่ถ้ามองตามเส้นทางจาริกของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าได้เสด็จตามเส้นทางที่พระองค์จาริกหลังจากที่พระองค์เห็นโทษในพัสดุกามคำว่างั้นนั้น พูดแบบภาษาไทยเขาเรียกพัสดุภาษาบาลีเขาเรียก ว, วัตถุว่าโดยสรุปก็คือเห็นโทษของมหาพูดเต็มที่แล้วละ่ะเบือนนายอยากจะออกจากมหาพูดทั้งที่มีวิญญาณครองทั้งไม่มีวิญญาณครองพระองค์ก็ออกมาบวชที่เรียกว่าออกบวชออกพิเนสกรมวันที่เห็นหน้าพระราหุลซึ่งเราจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งที่เมืองกบิลพัทเราก็ค้างที่กบิลพัทสองคืนอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคนั้นตอนที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็เสด็จ โดยม้าคันธกะออกบวชมีพยานมา้าชั่วคืนหนึ่งก็มาถึงแม่น้าอโนมาถึงแม่น้าอโนมานาทีถึงที่นั่นพระองค์ก็อธิษฐานว่าเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชแล้วพระองค์ก็จาริกเดินทางมาอีกเจ็ดวันจนถึงเมืองราชครึกเจ็ดวันนั้นไม่ได้ฉันอะไรเลยอยู่ด้วยปีติอย่างเดียวที่ได้ออกบวชเช้าวันแรกก็ไปบินทบาทฉันอาหารที่เมืองราชครึกที่บิทบาทที่เมืองราชครึก ก็เป็นที่ตื่นเต้นของประชาชนชาวเมืองราชจะครึกมากตอนนี้ก็เหลือแต่เมืองรางว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยว่าเทพประบุกันแน่หรือพรมหรือเทวดาหรืออะไรกันแน่ที่มาประสงสัยจนถึงพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ให้คนไปสืบดูจนถึงก็รู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้สแสวงหาโพธิญาณพระเจ้าพิมพิสารก็อาราธนาว่าถ้าหากว่าท่านได้พบโพธิญาณอันประเสริฐก็ขอได้โปรด มาโปรดมาสงเคราะห์ที่แว่นแคว้นนี้ก่อนพระองค์ก็สแสวงหาถามว่าที่พระองค์ออกบวชทั้งหมดนี้พระองค์แสวงหาอะไรสแสวงหาธทมที่ประเสริฐที่สุดซึ่งข้อความตรงนี้จะยกข้อความในตาสราสิสูตรมากล่าวที่ข้อความในตาสราสิสูตรที่พระองค์จกล่าวถึงว่าการสแสวงหานี่มีอยู่สองประการคือการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐกับการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐ การแสวง ห, หาสิ่งที่ไม่ประเสริฐซึ่งของเราที่อยู่ณที่นี้ชีวิตที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าแสวง ห, หาสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นปกติอยู่แล้วโดยกิจการงานโดยอาชีพของเราถ้ากล่าวตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าการแสวง ห, หาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาซึ่งมีสองประการด้วยกันการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐกับแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐ ถามว่าการแสวงหาอะไรจึงชื่อว่าแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าประเสริฐว่าไม่ประเสริฐเราก็ต้องมามองสภาพชีวิตของเราที่เป็นจริงว่าตัวเรานี่คือเป็นยังไงหนึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสองเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสาเป็นสิ่งที่มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาแล้วก็สี่เป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาห้า เป็นผู้ที่มีความโศกเป็นธรรมดาแล้วก็หกเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาสรุปว่าหกประการนะถ้าเราสอบสวนดูชีวิตที่เป็นจริงของเราแล้วมีอยู่หกอย่างคือหนึ่งนะทัวรในครั้งหนึ่งเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาสองมีความแก่เป็นธรรมดาสามมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาสี่มีความตายเป็นธรรมดาห้ามีความโศกเป็นธรรมดา หมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทําไมเราจึงเรียกว่าเรานี่เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ตัดต้นเหตุแห่งความเกิดเลยถามว่าถ้าเรามีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยวิญญาณตั้งลงนะเป็นกรรมวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิได้ทุกแห่งเลยของเราเนี่ยเป็นกลุ่มพืชที่ขอให้วางแต่วางตรงไหนงอกไปหมดอะเป็นพืชพันธุ์นั้นจริงๆอิงอะนะเหมือนพืชตระกูลทราเชื่อไหมบนตึกมันก็ขึ้นได้อะ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆ วันก่อนไปที่เพชรเจดีที่วัดอินทรวิหารแปลกว่าต้นโพนั่นไปขึ้นบนข้างๆพระเสียงทศพุทธรูปไปงอกอยู่แถวนั้นอ่ะงอกได้ยังไงก็คือสิ่งที่น่าคิดว่าขอให้มีรอยร้าวอยู่นิดเดียวเนี่ยพันธ์สายทั้งหลายงอกได้หมดเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราคิดถึงอารมณ์อะไรแล้วจุติงอกปฏิสนธิได้ทันทีนี่คือสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเราคิดถึงน้ําเราก็พร้อมที่จะเกิดในน้ําก็ได้ ถ้ไม่ได้มองในแง่กุศลนะคิดถึงบกก็พร้อมที่จะงอกบนบกคิดถึงเดรชาญก็พร้อมที่จะงอกปฏิสนธิเป็นเดรชาญคิดถึงหมู่มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็พร้อมจะปฏิสนธิได้ทุกหนทุกแห่งที่ไหนที่เรางอกไม่ได้บ้างแปลว่าที่เกิดไม่ได้ที่ปฏิสนธิไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ที่มีปกติมีความเกิดเป็นธรรมดาคือเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจริงๆเมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเนี่ย ปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยพร้อมที่จะงอกได้ทุกแห่งก็อย่างที่เคยกล่าวว่าทุกคนเนี่ยนะพร้อมที่จะว่าที่มารดาบิดาของเราทั้งหมดโดยที่สุดแม้แต่แขกข้างถนนที่เราเห็นเขาเหล่านั้นคือว่าที่บิดามารดาของเราเพราะในสังสารวัตอันยาวนานเนี่ยพระองค์ตรัสเลยว่าเธอเห็นอะไรก็ช่างเถอะเห็นคนยากจนคนทุกขตะเข็นใจแข็นพิการเหมือนลงจากเขาคิ้จิกูดวันนี้เนี่ย เธอโน้มเข้ามาสู่ตัวว่าเธอเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วถึงเห็นมหาเศรษฐีคุรหาบดีผู้มั่งคั่งก็น้อมไปว่าในสังสารวัตรอันยาวเราก็เคยสภาพแบบนั้นมาแล้ววัตถะที่มันมีเบื้องต้นไม่มีที่จบเบื้องปลายไม่มีที่สุดแสดงว่าจิตของเราพร้อมที่จะงอกได้ทุกแห่งพร้อมที่จะปฏิสนธิได้ทุกแห่งที่ไหนมั่งที่ปฏิสนธิไม่ได้เพราะกรรมที่ทาไว้วิจิตเหลือเกิน เราทั้งหลายสรุปว่าเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาหนึ่งนะวิญญาณพร้อมที่จะงอกได้ทุกแห่งทุกคนทุกภบทุกภูมิเนี่ยว่าที่มารดาบิดาของเราหมดหมายความว่าถ้าเรายังตัดเชื้อแห่งปฏิสนธิไม่ได้พร้อมทั้งหมดสองเมื่อเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องแก่เป็นธรรมดาอย่างที่เห็นเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมเป็นผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาสาม สุขภาพไล่ไปเหอะมนสิการตรงไหนมันปวดเมื่อยไปหมดเลยอย่างนั่งรถวันนี้กระแทกกระเทือนกันขนาดนี้คนก็ยังชอบเดินทางขนาดถนนมันเป็นอย่างไงไม่ราบเลื่อนเหมือนมักมีองแปดเลยถ้ามักครบองแปดเต๊มเนี่ยนะเลื่นสู่นิพพานอย่างเดียวให้สามัญผลไม่มีระหว่างขั้นแต่นี่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจริงๆร่างกายถ้าคนบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่า พอมันป่วยขึ้นมาแล้วรู้สึกแปลกใจเอ๊ะทำไมมันป่วยได้บางคนเนี่ยเขาพยองในใจมากเลยว่าเขาไม่เคยป่วยแต่เชื่อไหมว่าคนเหล่านี้ถ้ารองได้ป่วยลย่ะดีไม่ดีจะหนักกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความแก่เป็นที่สุดความไม่มีโรคมีความมีโรคเป็นที่สุดชีวิตมีอะไรเป็นที่สุดความตายเป็นที่สุดผลจุติจิตนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตดินซีที่ขาดรอนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาท่านเคยเห็นคนที่ไม่ตายไหมไม่เคยเพราะทุกหนทุกแห่งคือที่สับตายทั้งหมดทุกแห่งคือที่ป่าชา้าแม้แต่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือป่าช้าของยุคหนึ่งสมัยหนึ่งปีอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาเรียกเทวสถานอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาเรียกว่าป่าชา้าที่ทุกหนทุกแห่งคือ สถานที่ทอดทิ้งร่างกายชีวิตตินรีทั้งหลายก็พร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อเราเกิดณนภะพใดก็ต้องแก่ต้องป่วยแล้วก็ต้องตายเป็นที่สุดถามว่าเราเบาบางจากความโศกไหมเอาถามจริงๆครับไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้สึกโศกมีไหมไม่มีเลยมีความรู้สึกเสียใจอยู่ลึกๆแต่คาว่าเสียใจลึกๆนั่นแหละเรียกว่าโศกคือมันเศร้าหมองนั่งๆไปแล้วมันรู้สึกแห้งแล้งทางความคิด ยมนุษเป็นไหมนั่งนั่งอยู่มันแห้งแรงขึ้นมาเฉาเหมือนกับอะไรสักอย่างถ้าเป็นต้นไม้ถึงถ้าถูกน้ําใส่มันก็เป็นน้าร้อนมารดมันก็เลยใช้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มันรู้สึกเฉาในความคิดภาษาธรรมะอันนี้แหละเขาเรียกว่าโศกโศกกะคือไม่ในหมายขางเขาจะต้องโศกอย่างรุนแรงแต่ว่าโศกเล็กโศกน้อยเศร้านิดเศร้าหน่อยสังเกตดูได้จากอะไรรู้ไหมจากพวกรอรถทั้งหลายสังเกตดูจากพวกรอรถหรือพวกเดินทางยา ว, ยาว ดูสีหน้าแล้วเขาไม่มีความสุขอยู่ภายในเลยถ้าดูคนนะใครเขาอยู่แบบชีวิตจริงโดยที่เขาไม่พบปะสังสรรค์กับใครนะเขาจะมีความโศกอยู่ลึกๆเพราะอะไรเพราะเขาเป็นวัตถุที่โศกเป็นโทสะมันจะแทรกเป็นระยะระยะเพราะว่าอยู่ๆปั๊บอกุศลวิตกเขาจะมณสิการถึงปฏิฆานิมิตคิดเจอปฏิฆานิมิตจิตก็เลยเศร้ามอง เหตุการณ์มันไม่มีอะไรคิดจนไม่สบายใจจนได้อันนั้นแหละเรียกว่าโศกะเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีความโศกเป็นธรรมดาถ้าโศกนะถ้ามันมีกําลังกว่านั้นเขาเรียกว่าร้องให้แต่นี้มันมีกําลังน้อยก็เลยเป็นการเศร้านิดซึมหน่อยทรมมากกว่านั้นก็เป็นโรคซึมเศร้าเป็นต้นเนี่ยทำมากไปกว่านั้นก็เป็นการร้องให้เป็นการคล่ำครวนพร่ำเพลิ่มพันแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเป็นสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาสังกิเลตมีอยู่สามประการ หนึ่งสังกิเลสคือตัณหาเป็นผู้ที่มีตัณหาเป็นปกติถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งอบอกทวารไหนบ้างที่เรามีความรู้สึกว่าอิ่มจริงๆบ้างแม้กระทั่งว่าผู้การเนี่ยเคยรู้สึกอิ่มทวาร น, นี้บอกพอละแค่นี้ก็พอแล้วทวาร น, นี้นะพร้อมที่จะตัดทิ้งได้เล ย, ยมีบ้างไหมผูม้การเคยคิดอย่างนี้ไหมนะะให้เวลาคิดก็ได้จริงๆถ้าคิดอย่างนี้เป็นปกตินะไม่ต้องคิดหาเลยอย่านั้นะ คือรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วพอกันทีทุกทวารเนี่ยถ้ามานาสิการแต่ว่าไม่เนาะปัญหาที่มาทางจากักรครูทวารคือรูปปัญหาไม่มีถมเต็มถ้าอารมณ์ทวารตามไม่ได้ทําปริญญาเพียงพอนะอยากคิดนะว่าตัญหามันจะเลิกมันจะอิ่มไม่มีอิ่มไม่มีเต็มไม่มีพอทวารหูก็เหมือนกันทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มพออะไรเลย พระองจึงตรัสว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดอย่างตัญหาที่ไหลมาทางจากขรทวาร น, นะมันได้ดูสิ่งนี้มันบอกว่าดีนะเช่นถ้าเห็นธรรมดานะบอกว่าสีทองนี่สวยเสรนบอกถ้าทองมีลวดลายหน่อยก็จะสวยมันจะเริ่มไปอย่างเงเรื่อยเรืยเริ่มกระแทกระแสไปไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอทวารตาถมตัญหาทวารตาจึงถมไม่เต็มทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและ ทวารใจก็ถมไม่เต็มนัสังกิเลสคือตันหาอย่างที่สองสังกิเลสคือทุจริตที่ไหนมั่งที่สัตว์ประพฤติ ท, ทุจริตไม่ได้ดีไหมอารมณ์ไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุจริตกรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะอย่างในยุคนี้เนี่ยสมมติว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้ามีที่ไหนมั่งไม่มีอาทินาทานอยู่าถามหาดูเถอะ เช่นหนึ่งนะไม่มีปาณาติบาตอยู่ณที่นั้นสองไม่มีอทินนาทานอยู่ณที่นั้นสามไม่มีกาเมสุมิฉาจารไม่มีมูสาวาตไม่มีการดื่มสุราและเมรัยเอาซีนห้ามาตั้งนะที่ตรงนั้นเนี่ยหาพบไหมของมาเชื่อเลยแม้แต่ในวิหารพุทธคยาเนี่ยคิดว่าต้องมีทุจริตกรรมเหล่านี้ไม่จําต้องกล่าวถึงที่อื่นทุจริตกรรมคือปาณาติบาตเนี่ยเชื่อว่ามี แต่หมายเขาว่ากัดสัต์ก็ได้ไม่ในหมายถึงกับคนถามว่าถ้ามดมาแมลงมันเข้าไปในนั้นมากๆเขาจะทํำยังไงอ๋คนที่ดูแลแล้วถามว่าอธินนาทานเนี่ยนะผลประโยชน์ขนาดนี้ถ้าไม่ลงตัวทำไงเพราะฉะนั้นทุกแห่งนะโดยที่สุดเชื่อเลยว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตกรรมจริงๆเป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสคือทุจริตคนไปหาเถอะ แม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เรานุ่งนะกระบวนการผลิตกว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าให้เรานุ่งมีทุจริตอยู่ในนั้นไหมกว่าจะผ่านมาถึงมือเราได้ใช้นุ่งห่มทุกแห่งเนี่ยเป็นวัตถุแห่งทุจริตเพราะเราทั้งหลายเนี่ยถ้าได้ปัจจัยพร้อมพร้อมที่จะประพฤติทุจริตนะที่นั้นๆเราเป็นผู้มีสังกิเลตคือทุจริตเป็นธรรมดาแล้วก็ยังมีสังกิเลสคือ ทิฏฐิเป็นธรรมดาสังิเกตคือทิฏฐินะเช่นอารมณ์ไหนที่เราไม่เคยเอามาทําปริญญานะคนใดที่เราไม่เคยเอามาทําปริญญาอย่าคิดนะว่าวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสักกายทิฏฐิเพราะเราไม่เคยจําแนกแยกแยะอะไรเลยตรุปปกติของเราทั้งหลายเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาแปลว่าพร้อมที่จะงอกได้ทุกแห่งใช่ไหมสองเมื่อเกิดมาแล้วก็แก่เป็นธรรมดาเกิดกระแก่นี่มันอยู่ใกล้กัน แก่กับป่วยนี appeal, ่มันอยู่ใกล้กันเมื่อเกิดมาแล้วก็เริ่มป่วยตั้งแต่อยู่ในคันเด็กในคันนะอยู่ในคันเนี่ยผ่าจากคันออกมาแล้วก็ผ่าคอผ่าหัวใจเด็กอีกครั้งหนึ่งคิดดูนะมันผ่ากี่ชั้นเอาเด็กในคันมาผ่าท้องผ่าคอผ่าหัวใจแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องแม่ใหม่รอวันเกือบคลอดแล้วก็ผ่าท้องแม่คลอดออกมาอีกครั้งหนึ่งคิดดูนะถามว่าสัตว์อย่างนี้มีไหม ตอนนี้ฝรั่งกําลังทดลองอยู่เพราะกับคนที่อยากมีคันตอนอายุมากอย่างนั้นนะเขากำลังลองอยู่แต่ก็เริ่มประสบความสําเร็จก็คือเริ่มลองจากพวกแพะก่อนเอาแพะมาทําอย่างนั้นก่อนในที่สุดก็อย่างนี้ก็มีอยู่ก็เป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บป่วยเป็นธรรมดาในที่สุดก็ตายที่ไหนจิติไม่ได้บ้างเช้าเห็นกันตลกเลย็นก็หายตายจากไปเย็นเห็นกันอยู่เช้ามาบอกตายไปแล้ว อีกพักหนึ่งโทรศัพท์มาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเตรียมไปงานศพได้เลยก็อย่างนี้แหละแล้วก็โศกเป็นธรรมดานะชีวิตที่อยู่ด้วยก็อยู่ด้วยความเศร้าสำนวนคุณเวลาวันว่างนะสวัสดีความเศร้าเ อ, องเขาว่างั้นกะ็มีสำนวนใหม่ๆขึ้นมาอีกมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาคือด้วยอำนาจทุจริตด้วยตันหาและทิฏฐิพระองค์ก็มาคิดว่าแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคืออะไร สรว่ทุกอย่างในทวารหกเนี่ยปกติเป็นอย่างนั้นทุกอารมณ์เลยเนะไม่ว่าจะเห็นเนี่ยคนรอบข้างเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องมิตรอมาติข้าวของเครื่องใช้แก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นาเนี่ยสิ่งที่ใช้ประสา ส, สัมผัสทวารหกรับรู้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาเศร้ามองเป็นธรรมดาแล้วก็ โศกเป็นธรรมดานี่คือปกติในทวารหกที่เรารับอยู่ธรรมชาติเข้าเป็นอย่างนี้แล้วเราสแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่โดยเจตนารมธรรมดานะแต่ทีนี้หลายท่านสั่งสมอุปนิสัยวิวัติมาก็ตั้งความปรารถนาเป็นครั้งคราวคราวไหนบัางคราวที่สวดมนต์ไหว้พระคราวที่ฟังธรรมคราวที่เหลือล่ะคราวที่เหลือก็ปกติสู่ภาวะปกติมัน ก็เป็นอยู่อย่างนี้จริงๆก็แสวงหาทั้งสิ่งที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐอยู่โดยชีวิตปกติของเราเรามาดูว่าพระองค์เนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความป่วยความตายความเศร้าโศกและก็มีความเศร้ามองเป็นธรรมดาควรแล้วที่เราจะแสวงหานิพพานที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความ โศกและความเศร้ามองเป็นธรรมดาธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยนิพานเนี่ยแปลว่าที่ดับทุกเหล่านี้เราต้องแสวงหาความดับตัวทุกเหล่านี้ให้ได้เจตนารม์อันแน่วแน่และแก่กล่าก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะต้องส่อหาสแสวงหาเที่ยวค้นหาธรรมชาติอันนี้ให้พบเพราะว่าที่ที่สงบประงับดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความ โศกและความเศร้ามองอันนี้ให้ได้ก็เที่ยวสาะแสวงหาไปการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเราก็มาแบ่งชีวิตของเรานะว่าขณะไหนเราสแสวงหาไม่ประเสริฐคือขณะที่จิตไม่น้อมไปสู่พระรัตนตรัยพูดง่ายๆโดยสรุปเลยนะเมื่อใดที่จิตเราน้อมออกจากพระรัตนตรัยเมื่อนั้นเราสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐ เมื่อใดมนานสิการอารมณ์นั้นแล้วเห็นคุณพระรัตนตรัยอยู่ตอนนั้นสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐก็ดังที่กล่าวว่าตอนเมื่อกี้ที่เราขอขมาพระรัตนตรยัยนึกถึงว่าผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยใจของเขาต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรยัยไม่มีความเป็นอื่นเลยมันกลมกลืนกับเช่นผู้ที่บรรลุธรรมขั้นแรกก็คือพระโสดาบันใช่ไหม พระสโสดาบันท่านก็เห็นอริยสัจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเห็นแต่ว่าประสิทธิภาพในการเห็นไม่เท่ากันสรุปว่าเห็นนิพพานเหมือนกันเนั้นท่านจะไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้ในความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นแม้กระทั่งทุกโทษใดๆที่จะมีความเห็นเป็นอื่นมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอื่นจากพระรัตนตรัยอันนั้นจะต้องขอเข้ามาจะต้องขอโทษบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะขอคัดออก กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวทิฏฐิตัวความเห็นอะไรที่ขัดแย้งต่อพระรัตนไตรคัดออกน้อมเอาตัวเองเนี่ยมุ่งอุทิศแด่พระรัตนไตรยจนกว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนไตรยผู้ที่สแสวงหาพระนิพพานสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเขาจะต้องมีความเห็นที่อนุโลมต่ออริยสัจทิฏฐิของเขากายกรรมวจีกรรมสิ่งที่เขาคิดทั้งหมดต้องอนุโลมต่อการ รู้อริยสัจพระโพธิสัตว์ของเราท่านเป็นเช่นนั้นท่านมีความเห็นอนุโลมต่อหลักการของอริยสัจเมื่อท่านออกบวชมาเนี่ยท่านไปสู่สำนักของอาลาลดาบทุตระดาบทึ่งได้ถึงระดับอรูปฌานอย่างอากินจัญญายตนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานนะมีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์ขณะที่เข้านัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์ด้วยอานาจอากินจัญญายตนะเนี่ย โดยมากเขาเชื่อว่านิพพานนั่นเป็นสภาวะของพระนิพพานพระโพธิสัตว์ท่านวินิจฉัยได้เลยนี่มันไม่ใช่อ่ะนี่เป็นกรรมที่นำไปเกิดในอากินจัญญายตนาภพนะถ้าเป็นเราธรรมดาเลยนะถ้าไม่ได้เรียนอริยสัจมาอย่างดีจริงๆเลยนะหมดสิทธินะ์นียหมดสิทธิ์จริงๆเลยนะถ้าได้ความสุขอันนั้นเขา้าแค่เรียกว่าได้ปีติเนี่ยปีติในอุปารารสมาธิเกิดวันละห้าชั่วโมง ก็ไม่ต้องอย่างอื่นนะนี่กับนี่ใช่เลยพอแล้วอย่าว่าระดับอรูปฌานอะไรเลยแค่ให้มันปีติปลื้มบ้างอะไรบ้างหรือโสมนัสทั้งวันได้ด้วยอํานาจกุศลเนี่ยก็แหมดูถ้าจะติดงอมเลยนะไม่ต้องระดับอากินอะไรหรอกแต่พระโพธิสัตว์ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เพราะมันยังเป็นสังขารธรรมที่มีนักติภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์แล้วสิ่งนี้ก็เป็นกรรมด้วยเป็นมนโนกรรมที่นําเกิดในอากินจัญญายตนะ ท่านบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านหาก็เลยเดินจากไปไปหาอาลาลดาบทพอไปหาอาลาลดาบทเข้าเรียกว่าท่านอาลาละเนี่ยคือเป็นคนสูงใหญ่มากอาลาลดาบทก็คือเป็นคนตัวใหญ่สูงใหญ่แล้วก็เป็นคนรูปร่างดีมากเขาก็เลยเรียกอาลาละดาบทก็ไปฝึกอยู่ไม่กี่วันถ้าโดยทิฐินะถ้าอาจารย์พูดจบปั๊บท่านเข้าใจเลยประสิทธิภาพของพระโพ ธ, ธิสัตว์ขนาดนั้นนะ่ะ อาจารย์หูบปากตั้บรู้เท่าอาจารย์แล้ในสิ่งที่อาจารย์พูดถึงความสามารถท่านเท่านั้นท่านก็เลยมักขอบอกเนะแนวหน่อยว่าเนวะสัญญาจะเปนยังไงพอแนะแนวให้ท่านคิดอยู่สามวันนี่ได้เลยสามวันนี้ได้แบบชํานานคล่องแคล่วในเนวะสัญญาท่านทั้งเข้าทั้งออกได้วสีทั้งห้าอย่างชํานาญเสร็จแล้วบอกว่าอาจารย์ลทัทธิของอาจารย์มีเท่านี้หรือบอกใช่อันนี้มันก็เป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะยังมีอากินจัญญายตนะโดยอารมณ์ โดยอารมณ์มีอากินจัญญาญตนะโดยสภาวะก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายาตนะเนวสัญญานาสัญญายาตนะตัวนี้นำปฏิสนธิในเนวสัญญานาสัญญายาตนะพบมีอายุแปดหมื่นสี่พันกับท่านรู้เลยวินิจฉัยเป็นบอกนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านมาหาท่านจบวิชาตัวนี้ที่ไหนที่เมืองราชครือท่านก็เลยเดินจากเมืองราชครือมาแบบไม่สนใจไม่สนใจในทั้งสองสำนักเพราะไม่ใช่สิ่งที่ท่านหา เพราะสิ่งที่ท่านหาคือหาอะไรหาพระนิพพานที่พ้นจากความเกิดความแก่ความป่วยความตายความเศร้าโศกและความเศร้าหมองอรูปฌานยังเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองคือตัณหาและทิฏฐิหรือไม่เป็นเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอยู่ยังเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เอาพอไม่เอาแล้วท่านก็มาบอกว่าสมัยนั้นเขายกย่องในการทรมานตัว ยกย่องอัตตะกิลมัทานุโยกมากพระองค์ก็เลยมาประพฤติอัตตะกิลมัฐานุโยกประพฤติทรมานโดยวิธีการต่างๆใช่ไหมวิธีการที่พระองค์ทรมานก็อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฝักกันมาใช่ว่าเช่นวิธีหนึ่งที่ท่านทําคือกลั้นลมหายใจแต่ว่าก่อนที่จะกลั้นลมหายใจนะใช้วิธีอดอาหารก่อนเริ่มผ่อนอาหารมาเรื่อยๆผ่อนจนถึงวันละเท่ า, มาเมล็ดงานเนี่ยอยู่ได้ไงนะ ทานอาหารวันละเท่ า, มาเมล็ดงาเนี่ยเท่านั้นจริงๆนะทั้งอะไรสารพัดอย่างนี่เท่ า, มาเมล็ดงาจนเทวดาบอกถ้าท่านอดนะข้าพเจ้าจะแทรกโอชาทิพย์ให้ท่านท่านรู้บอกโอ้แมวท่านนี้เดี๋ยวจะเป็นมุสาวาตไปแมวก็ขอเท่านี้แหละจนทพรเรียกว่ารูปท้องถึงหลังรูปหลังถึงท้องตานี่มันลึกเข้าไปเหมือนดูดวงเดือนในบ่อ น, น้ําตาของท่านลึกโบไปมหาปริศลักษณะหายไปหมดเลยกลายเป็นคนผิวดําตัวเขียวไปเลยนะ กลายเป็นลักษณะนั้นเลยจากผู้ที่บริบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะพร้อมขนาดนั้นนะท่านกลั้นลมหายใจเนี่ยศีรษะของท่านปวดเหมือนคนขันฉนะขันรัดเข้ารัดเข้ า, ขาไอ้วิงเวียนแบบนั้นแต่ขนาดนั้นท่านก็อยากไม่เผลอไม่เลื้เลือนไม่ฟันฟ่นเฟือนและจิตไม่น้อมไปหาวัตถุ ก, กามแม้แต่หน่อยเดียวท่านมั่นคงขนาดนั้นสติสัมปชัญญะวิริยะของพระองค์นี่เต็มที่ขนาดนั้นแล้วความเพียรอย่างอื่นอีกว่า กลั้นลมหายใจจนว่าบางทีมันปวดท้องเหมือนกับเอามีดเนี่ยควานท้องบางทีเนี่ยร่างกายเนี่ยมันร้อนเหมือนกับถูกย่างด้วยไฟท่านทำโดยประการต่างๆท่านรู้เกรดของชีวิตเลยว่าถ้าเกินกว่านี้แม้แต่ขีดเดียวตายท่านบอกว่าแค่นี้พอละในบรรดาคนที่ทําความเพียรมาเท่านี้จริงๆใครที่เกินนี้ตายหมดในบรรดาส ม, มณะพรามทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันที่จะทรมานตัวมีเท่านี้ ในบริเวณแถวๆนียท่านทรมานตัวอยู่หกปีห่างจากในปณิยขึ้นเขาดงคัศริก็คือที่ท่านทรมานตัวจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งอยู่หกปีด้วยกันมีพระปัญจวัคคียคอยซักจีวรให้คอยซักผ้าให้คอยดูแลปัดกวาดให้ออกองเชียร์นะก็ดูว่าถ้าบรรลุลจะได้แนะนําเราบ้างก็รออยู่เพื่อวันไหนจะได้บรรลุสักทีก็คอยดูแลคอยอุปถะ ปะทาเขาไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วนะก็กวาดใบไม้บางอะไรบ้างคอยดูห่างๆแล้วาจารย์เราจะเป็นยังไงก็เลยอยู่อย่างเงี้ยหกปีด้วยกันวันหนึ่งท่านก็มา น, นึกมาแต่ถามว่าไอระหว่างการทรมานตัวเนี่ยท่านคิดอะไรอยู่รู้ไหมท่านแยกวิตตกของท่านทั้งหมดท่านเอาขันห้ามาวิจัยท่านเอาอายตนะมาวิจัยท่านเสิร์ฟหาสแสวงหาสองหาพิจารณาถึงอะไรอักษรธาทีนวานิสรณะของธาตุศิษ ถ้าสี่นี้ท่านเอามาวิจัยทุกแง่ทุก ม, มุมท่านวิจัยภาษาจตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านวิจัยอุปาทานขันห้าทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ในพบเดียวด้วยไม่ใช่พิจารณาอย่างเดียวด้วยอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีความสามารถว่ารัศมีประมาณยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยมองเห็นโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่ผงนิดเดียว เอาไปวางไว้ใกล้หล like, ุมหลืบเขาตรงไหนก็มองเห็นกลางคืนกลางวันเดือนมืดเดือนงายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มองเห็นอย่างนั้นท่านนรกมันอยู่ในรัศมียี่สิบกิโลเมตรก็มองเห็นเป็นปกติท่านก็มีตาทิพย์อยู่แล้วด้วยท่านเห็นเทวดานี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาคุยกับเทวดาได้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าเทวดาก็คืออะไรทหารยามทั้งหลายแหล่ท่านเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเห็นเทวดาเห็นอะไรมาตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องปกติของท่าน ท่านเป็นผู้ที่พิจารณาอย่างมากแยกแยะทั้งมหาภูตรูป 4, สี่สารพัดประเภทแยกแยะภาษายตนาหกคือทวารหกและอุปาทานขันห้ารวมกันรวมชื่อเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโลกจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันถ้าเป็นมหาภูตรูปก็อะไรหมายถึงวิจัยรูปประคันอย่างละเอียดรูปเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเห็นได้จริงๆก็ต้อง ขันห้าประชุมกันท่านวิจัยทั้งเหตุเกิดของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอย่างที่ถามว่าอะไรคือเหตุเกิดความดับของขันห้าที่สนทนาการบนรถที่ถามว่าขันห้าจะเกิดเกิดโดยอาการเท่าไหร่ถ้าจะดับดับโดยอาการเท่าไหร่เกิดโดยอาการเท่าไหร่นะสรุปขันห้าเกิดโดยอาการยี่สิบห้าดับโดยอาการยี่สิบห้าท่านก็วิจัยออกหมดวิจัยถึงอัศธาความหน้าติดข้องของขันห้า ที่มูสัตว์เขาติดข้องกันทําไมเขาจึงติดข้องในขันห้าพงก็รู้นะว่ามูสัตว์ติดข้องในขันห้าเพราะอะไรแล้วถามว่าโทษของขันห้ามีอยู่เท่าไหร่ท่านก็เห็นพิจารณาก็เข้าใจเลยว่าการปฏิบัติที่แท้ที่ถูกคือการเจริญอนุปัสนาเจ็ดท่านก็มุ่งเจริญอนุปัสนาเจ็ดโดยส่วนเดียวทําทั้งวันทั้งคืนทําจนจิตฟุ้งซ่านก็มีอนุปัสนาจนฟุ้งซ่าน ตอนหลังท่านก็มาปรับเป็นว่าสมาธิกับอนุปัสสนาต้องควบคู่กันไปต้องสม่ำเสมอกันจนมั่นใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยท่านทําอยู่อย่างนี้จนตอนหลังก็มาบริโภคอาหารมาบริโภคอาหารท่านก็รู้เลยว่าที่จะ บ, บรรลุเนี่ยก็หวนถึงอานาปานาสติเพราะเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะ บ, บรรลุก็ด้วยอานาปานาสติท่านก็ระลึกถึงอานาปานาสติของท่าน แล้วทานรู้บอกอาณาปานสติแบบนั้นเนี่ยจะเจริญแบบนั้นด้วยร่างกายที่ผ่ายผอมอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะท่านก็ไปฉันอาหารบริโภคอยู่ไม่กี่วันนี้ก็ปกติคือหมายคขาว่าคนที่ผ่ายผอมเพราะประโยค่าวิบัติถ้าประโยค่าสมบัติเมื่อไหร่ก็กลับปกติแต่ถ้าชราแล้วน่ะทํำยังไงมันก็ไม่ปกติเพราะปกติของชรามันเป็นอย่างนั้น